คุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องราวของวัดผีเฮี้ยนไหมคะ วัดผีเฮียนตรงนี้ที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะต้องนั่งรถข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าจากฝั่งกรุงเทพมายังฝั่งธนบุรีเชิงสะพานซ้ายมือว่าฝั่งธนบุรีคือที่ตั้งของวัดดุสิตารามค่ะปัจจุบันวัดดุสิตารามอยู่ท่ามกลางความเจริญแบบเต็มรูปแบบนะคะมีตึกรามบ้านช่องที่อยู่อาศัยเข้าขั้นพลุกพล่านแล้วก็แออัดค่ะหากว่าใครสักคนนึงมาบอกว่าที่วัดดุสิตารามแห่งนี้เนี่ยแหละเป็นวัดที่ผีดุแล้วก็วัดผีเฮียน คงได้หัวเราะกันดิ้นเลยนะคะเพราะไม่เชื่อแล้วก็เชื่อไม่ลงอย่างเด็ดขาดเนื่องจากว่าบริเวณรอบๆวัดนี่มีอาคารบ้านเรือนสถานเรองรมแลวก็ร้านอาหารเปิดกันยันรุ่งเลยทีเดียวค่ะผู้คนเดินกันให้ขวักขวายทั้งคืนก็ว่าได้กับสถานที่แห่งนี้ แต่ถ้าหากว่าเราย้อนการเวลากลับไปเมื่อประมาณสัก 40-50 ปีก่อนแล้วก็ลรแวกวัดดูสิตารามตรงนี้มีแต่สวนผ ล, ลไม้ติดต่อกันนะคะกินอาณาบริเวณกว้างไกลามาจรวดกันถึงที่บางคลัดทางคมนาคมสะดวกที่สุดก็คือการอาศัยคลองบางเกอกน้อยและก็แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นทางสัญจรโดยการใช้เรือเป็นยานพาหนะค่ะ สมัยนั้นภายในวัดนะคะเป็นแค่ทางเดินเล็กๆทอดไปบรรจบกับชุมชนหลังวัดที่มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนสองฝากทางก็เป็นป่ารกมีไม้ยืนต้นร่มครึ้มสลับกับกอไผ่ขนาบอยู่อีกทั้งยังมีพงหญ้าสูงท่วมหัวปกคลุมลึกเข้าไปถึงชายสวนตรงกอไผ่ใหญ่ค่ะที่อยู่บริเวณประมาณกึ่งกลางทางเดินใกล้กับโบสถ์มหาอุดโบสถ์มีหน้าประตูเดียวนะคะคือด้านหลังก็จะไม่มีประตูละแบบนี้เขาเรียกกันว่าโบสถ์มหาอุดนะคะ ตรงนี้แหละที่เขามีเสียงหลือเสียงเล่าอ้างว่าผีดุอย่าบอกใครเชียวคนเก่าคนแก่ที่อยู่ใกล้วัดดุสิตารามนะคะเล่าต่อไปค่ะว่าเคยมีผู้ที่ถูกผีหลอกบริเวณใกล้โบสหลายต่อหลายรายไม่ว่าจะเป็นครูกระบีกระบองที่ชื่อวัทิศเรือง เป็นคนต่างถิ่นเพิ่งพาครอบครัวมาอยู่อาศัยที่วัดดุสิตารามค่ะวันหนึ่งแกกําลังเดินกลับบ้านพร้อมกับลูกเมียตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาเลยโพลโอเพลไปแล้วนะคะทิดเรืองจุดเทียนสองนำหน้าพอมาถึงก็ผ่ใหญ่ที่มีฝ่ามือขนาดใหญ่มากแล้วก็มีขนยาวรุงรังยื่นมือมาโบกเพื่อที่จะดับเทียนเสียนดือด้อนะคะทิเรืองก็ตกใจเหลียวไปดูพร้อมกับลูกเมียก็เห็นเจ้าของมือตัวดำทมืนยืนตร a n g สูงเสมอยอดไผ่ ก็เห็นแบบนี้ละนะคะพ่อแม่ลูกก็ร้องโวยวายสึกเสียงก่อนจะวิ่งหนีเพื่อที่จะออกไปที่ถนนใหญ่ให้เร็วที่สุดก็เป็นอันว่าคืนนั้นค่ะคุณผู้ฟังครูกระบี่กระบองก็ต้องพาลูกเมียไปนอนค้างบ้านญาติเพราะว่าไม่กล้า ก, กลับเข้าบ้านตัวเองนะคะอีกรายก็คือเจ้าเป๋ คนนี้เนี่ยเขาจะขาไม่ค่อยดีหน่อยเพราะว่าขาเขาจะเป๋ข้างหนึ่งแล้วก็เดินกระเพกกระเพกไปกินเหล้าไปกินกับแกล้มอ่าไปกินแกงทภาพน้ำบ้านเพื่อนนคะคะจนมืดค่ะ เขาก็เลยได้ใต้ใต่ไฟใต้คบไฟเนีคะเพื่อที่จะเข้าบ้านเพื่อนก็ยังให้แกงตะภาพรถเด็ดนี่ติดมือกลับบ้านไปด้วยเพื่อที่จะเอาไปฝากคนในครอบครัวเจ้าเป๋ก็เดินประคองถ้วยแกงตะภาพมาตลอดทางพอมาถึงที่กอไผ่ก็ปรากฏว่ามีมือขนาดใหญ่เท่าใบตาล น, นี้แหละดํามืดด้วยพร้อมกับขนยาวรุงรังยื่นมาคว้าชามแกงตะภาพแย่งเอาไปต่อหน้าต่อตาดื้ อ, อพอเจ้าเป๋หายตะลึงก็เพ่นพรุดวิ่งแนวกลับบ้านด้วยความเร็วชนิดที่ว่า คนขาดีไล่ไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะต่อมาทางวัดได้ขยายทางทำถนนคอนกรีตนะคะก็ผ่ผีดุกก็เลยถูกตัดทิ้งไปจนหมดทำให้ไม่มีใครถูกผีร้ายหลอกหลอนจนขวันนี้ดีฝออีก แต่ว่าหมดผีสิงที่กอไผ่ชาวบ้านเรแวกวัดดูสิตารามก็โล่งอกโล่งใจได้ไม่นานก็ต้องมาเผชิญกันกับผีเฮี้ยนชุดใหม่ค่ะคือที่นี่ผีหลอกชุดนี้จะเด็ดดุเด็ดเผ็ดมันยิ่งกว่าแต่ก่อนโดยย้ายไปหลอกหลอนบริเวณที่ที่เคยมีกอไผ่มาอยู่ตรงสาราร้างหลังวัดค่ะข้างๆ ท, ท, ทางเดินนี้เอง ผีเฮียนวัดดุสิตารามชุดใหม่ได้เปิดฉากสำแดงริดเดตในคืนหนึ่งค่ะคืนนั้นที่ฉ่ำนะคะบ้านเขาจะอยู่หลังวัดดุสิตารามก็จะเป็นอีกผู้หนึ่งที่ชอบดูลิเก อชอบเรียกว่าชอบดูลิเกเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวใชว่ละก็เลยชักชวนเพื่อนบ้านประมาณสักสิกว่าคนไปดูลิเกที่วัดบางยี่ขันกําลังเพลิดเพลินกับลิเกค่ะจนดึกดืนลิเกเลิกก็กลับบ้านชาวหลังวัดดุสิตารามก็ยกขบวนกันกลับบ้านเวลานั้นค่ะเกือบตีสองและดึกสงัดเชียวแต่ว่าชาวบ้านกลุ่มใหญ่ ไม่มีใครหวาดกลัวหรอกเพราะว่ามากันหลายคนนะคะไปกันมากหน้าหลายตามีทั้งหนุ่มสาวผู้เฒ่าผู้แกเดินพลางวิจารการแสดงของลิกเกไปพลางค่ะจนมาัึงกระถึงจนกระทั่งมาถึงหน้า เขววัดดูสิตารามผ่านโบสแล้วก็มองเห็นศาลาเก่าเป็นเงาทรมุนอยู่ในความมืดพอเดินเข้าไปใกล้ศาลาร้างทุกคนค่ะเห็นมีคนกลุ่มหนึ่งประมาณ4 5หคนนั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่บนศาลานี่แหละก็คิดว่าโอ้คงจะเป็นพวกดูริเกอีกกลุ่มหนึ่งเป็นแน่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วก็เข้ามาพักเหนื่อยที่ศาลาก็เลยไม่ได้ระหวาดระแวงอะไร พอเดินไปเรื่อยๆนะคะกระทั่งเข้าใกล้ศาลาก็ยังมองไม่เห็นหน้าคนที่นั่งอยู่บนศาลาว่าเป็นใครเพราะว่าในคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมฟ้ามันมืดนะคะมองไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นใครเหลือระยะเวลาทางไม่ถึงกว่าสิบวาก็เฉียดผ่านศาลาหนึ่งในกลุ่มนะคะที่นั่งอยู่ตรงศาลาก็ตะโกนถามมาว่าทิศฉ่ำใช่ไหมทิศฉ่ำซึ่งเดินนําหน้าก็คิดว่าเป็นคนรู้จักก็ตอบกลับไปบอกว่าเออข้าเองนั่นใครล่ะ เสียงคนเดิมไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่ถามมาอีกว่าไปดูลิเกกันมาละสิสนุกไหมสนุกสิทิชั่มตอบแล้วก็ย้ำอีกบอกใครพูดละเนี่ยคนที่อยู่บนศาลาก็ไม่ตอบนะคะว่าใครเขาบอกว่าลิเกที่ไปดูมาจะสนุกเท่ากับที่พวกข้าเล่นได้หรือเปล่าเสียงเดิมพูดพร้อมกับหัวเราะอยู่ในลําคอเลยนะคะเอาละค่ะความมันกําลังจะเริ่มและทีเนี้ยทิชั่มพร้อมกับกลุ่มชาวบ้านที่ไปเดินไปดูลิเกเนี่ย แล้วก็เดินมาจนถึงหลังวัดนี้ได้ยินเสียงพวกนั้นหัวเราะดังแปลกหูเอ๊มันชักจะใจคอไม่ดียังไงยังไงแต่ว่าก็ยังสาวเท้าเดินกันต่อนะคะจนกระทั่งมาถึงศาลาข้างทางค่ะคนนึงที่อยู่บนศาลาก็กระโดดแผลวขึ้นมาขวางหน้ายกมือมารำป้อพร้อมกับพูดเสียงแหบยิ่งกว่าเดิมบอกพวกข้าจะเล่นลิเกให้ดูรับรองสนุกถึงใจแน่นี่คนในศาลากระโดดมาดักหน้าพร้อมกับฟ้อนรำ พร้อมกับพูดนะคะบอกว่าจะเล่นลิเกให้ดูรับรองสนุกมากกว่าที่พึงไปดูแน่ๆพูดไปรำไปค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตัวของคนรำเนี่ยค่อยๆ ย, ย, ยืดสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเลยยอดไม้นะคะกลุ่มทิศฉ่ำยืนตาค้างตัวแข็งด้วยความสยองขวัญสุดขีด ที่มาเจอผีหลอกชนิดจังๆค่ะครั้นพอตั้งสติได้ทิศฉัมก็หลับหูหลับตาวิ่งนำหน้าฝา่าเข้าไปตรงๆเพราะว่าบ้านอยู่ตรงสนุตรงสุดถนนส่วนคนอื่นก็โกยอ้าวตามหลังทิศฉัมแบบไม่คิดชีวิตพลางร้องวกเวกโวยวายฟังไม่ได้สับค่ะแย่งชิงวิ่งแซงหน้ากันขึ้นไปแบบอุตลุดจนกระทั่งมาถึงบ้านทิศฉับโดยพร้อมหน้าแต่และคนนี่เรียกว่าเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจตายซะให้ได้ น่าสงสารก็คนแก่คนเท่าละค่ะที่พลอยจะวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปกับเขาด้วยถึงกับนอนแผ่วเป็นลมลุกไม่ขึ้นเลยทีเดียวตั้งแต่นั้นทิพย์ฉ่ากับเพื่อนบ้านที่ผ่านประสบการณ์ขนหัวลุกมาด้วยกันค่ะต่างก็เลิกไปดูลิเกตอนกลางคืนอย่างเด็ดขาดต่อให้เป็นคณะที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังสักตานใดเ ย, ยาวังว่าจะมาชวนไปให้ยากเพราะว่าหลังวัดดุสิตารามแห่งนี้ชาวบ้านเขาอยู่กันเนี่ยไม่มีใครไปดูสักกคนนะคะ อีกรายหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่เจอผีสาราดร้างเข้าอย่างจังคือเจ๊กหงอาชีพของเจ๊กหงนะคะก็จะมีการทำมาค้าขายนะคะก็คือการทำสาคูไส้หมูนะคะทำขนมหาไปขายนะคะแล้วก็พวกขนมประเภทขนมถาดที่เมียเป็นฝ่ายผลิตให้เจ๊กหงเป็นฝ่ายจาหน่าย ทุกวันเจ๊งหงจะหาบของตระเวนขายแถวแวหลังวัดดุสิตารามและก็ในสวนตลอดย่านนั้นค่ะวันเกิดเหตุนะคะเจ๊งหงหาบของเข้าไปขายในสวนลึกท้า ย, ายดิบขายดีจนไม่เหลืออะไรเมื่อเดินย้อนกลับออกมาก็เป็นเวลาค่ํามืดจนกระทั่งหนึ่งทุ่มแล้วนะคะเจ๊งหงหาบของอว่างเปล่าเดินครวนเพลงจีนงุ้งยิ่งงุ้งยิ่ ง, ง, งอย่างอารมณ์ดีผ่านมาตามถนนในวัดค่ะจนกระทั่งมาถึงศาลาร้างเห็นเงาคนดำดำนั่งอยู่บนศาลา2คนเจ๊งหงก็มา ได้สนใจอะไรเดินหาบกระจัดเปล่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเสียงเรียกมาจากศาลาบอกแปะมีอะไรขายบ้างไม่มีเลี่ยวโมกเลี้ยวเจกหงบอกคนในศาลาก็บอกเองโกหกยังมีของกินได้นี่นาเจกหงก็บอกมกจริงๆวันนี้ขายลีเป็นพิฟเศษไม่เชื่ออย่ามาลูมาลูไล่มาลูไ ล, ล, ล่อ่ะเองเอาหาบมาให้ข้าดูที่นี่สิวะ เจ๊กฮงก็ค่อยๆไปนยครับด้วยความโมโหที่แบบพูดความจริงแล้วทำไมไม่เชื่อประมาณนี้แกก็ฉุนค่ะเพ่อบ อ, บอกความจริงไปแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อก็เลยลงมาจากถนนหากระจัดตป่าไปที่ศาราตั้งใจจะให้คนดูที่คนที่ซื้อเนี่ยดูให้หายสงสยัยก็เลยเดินไปชิดสาราแล้วก็เบี่ยงกระจัดให้ดูเห็นไห ม, หมกจริงๆไม่มีอะไรกิงเลี่ยวยังมีสิกินได้สิไส้ของเองไงละ่ะ ว่าแล้วเงาดำตะคุ่มนกวหัวเราะเสียงแหบๆกลิ่นเหม็นเน่าสาบสางครุ้งตลบนะคะเจ๊กฮงถอยกรูดขณะที่2คนอยู่บนศาลาก็โดดตุบลงมายืนแล้วร่างนั้นก็ยืดยาวสูงขึ้นเลยหลังคาศาลาร้างพลางก้าวเข้ามาหาเจ๊กฮงค่ะเจ๊กฮงตกใจสุดขีดจับไม่คันเข้าฟาดทั้งกระจาดก่อนจะหันหลังร้องวยวายไปทางกุฎิพระ ไปทางกุฏิพระนะคะแล้วก็ล้มหมดสติคาบันไดกุฏิไปพระเนนออกมาดูก็ช่วยกันปฐมพยาบาลจนกระทั่งเจ๊กหงเนี่ฟื้นขึ้นมาเล่าให้พระเนนฟังว่าถูกผีที่สาลาร้างเนี่ยหลอกไม่กล้ากลับไปเอาไมคานกับกระจัดที่เหวียงใสผีเดือดร้อนพระเนนต้องจุดตะเกียงพาเจคกฮงไปเก็บกระจัดกับไมคานแล้วก็พาไปส่งจนถึงถนนใหญ่ นับจากวันนั้นค่ะคุณผู้ฟังเจ๊กหงก็หายหน้าไปจากละแวกวัดดุสิตารามไม่ยอมมาขายของที่นั่นอีกเลยเพราะแกะเข็ดเคี้ยวผีที่สาราตร้างหลังนั้นค่ะคราวนี้จะมาเล่าเรื่องของบ้านผีดุหลังหนึ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะบ้านหลังนี้อยู่ที่ปากคลองรังสิตค่ะจังหวัดปทุมธานีเป็นบ้านของนางเข็มแล้วก็ในเลิศเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่นะคะ ต่อมาคนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวก็พากันอพ ย, ยพโยกย้ายออกไปอยู่ที่อื่นกันหมดในวัตถุผีหลอกจนทนไม่ได้จะว่าไปแล้วนะคะบ้านหลังนี้ก็น่าอยู่ที่เดียวเพราะว่าปลูกสร้างอยู่ริมน้ําติดกับชายคลองเป็นเรือนแฝดใหญ่โตค่ะมีเรือนหลังเล็กแยกอยู่ต่างหากลอ้อมรอบด้วยสวนผลไม้ร่มรื่นและก็เย็นสบายแต่ว่าไม่มีใครกล้าอยู่ถึงอยากจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าต้องเสี่ยงกับหัวใจวายอาจจะเนื่องจากถูกผีหลอกก็เป็นได้นะคะผีที่มาหลอกหลอนก็คือผีนางเข็มเจ้าของบ้าน นั่นเองค่ะลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้าของบ้านที่เคยอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ก็ต้องหอบข้าวหอบของนี้ไปอยู่ที่อื่นนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าผีนางเข็มนี่นเฮี้ยนเป็นที่สุดแค่ทําเสียงเดินตึงตังเข้าห้องนั้นออกห้องนี้หรือทําบานประตูบานหน้าต่างปิดปิดเปิดเปิ ด, ป, ด, ป, ด, ป, ด, ป, ดปึ้งปังยังจะพออยู่อยู่กันได้ต่อไปแต่ว่านี่เล่นแสดงตัวโผล่บ๊อบๆอบแวบๆให้เห็นกันจะจะบ่อยๆแบบนี้อยู่ไม่ได้จริงๆนะคะ จำใจต้องปล่อยให้บ้านเป็นสภาพที่แบบยังดีอยู่เนี่ยทิ้งร้างแล้วก็ผุพังไปตามเยื่ยถากรรมนานถึง30ปีค่ะหลังจากที่ไม่มีคนอยู่ในบ้านนะคะก็กลายเป็นบ้านร้างชาวบ้านละแวะกนั้นก็ยืนยันค่ะว่ามีคนเดินไปมาอยู่บนบ้านบ่อยๆวันดีคืนดีนะคะก็จะมีเสียงดนตรีดังออกมาจากในบ้านก็ทำให้วังเวงนะคะแล้วก็หวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งค่ะ บางคืนตอนดึกๆก็จะเห็นแสงไฟนะคะคล้ายกับมีคนจุดตะเกียงว่า ว, วแวมอยู่ในบ้านทั้งๆ ท, ท, ที่ชาวบ้านก็รู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วจะว่าเป็นพวกหาปลาแวะเข้าไปอาศัยนอนพักผ่อนในบ้านร้างก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ากิจติศัพท์ของบ้านผีดุลือเรื่องไปตลอดหัวคลองท้ายคลองแค่พายเรือผ่านบ้านหลังนี้ตอนโผล่เพลยังจ้ำพายกันแทบจะหักคามือเลยทีเดียวเมื่อไม่มีคนอยู่อาศัยในบ้านนั้นนับปีค่ะบ้านหลังนี้ จึงผุพังลงอย่างรวดเร็วก็อผักตบชวาก็ไหลมาพริมตลิ่งนะค ะ, ะเป็นแพรขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ด้านหน้าอย่างแน่นไปหมดยิ่งทำให้ดูรกเรือ้อน่ากลัวเข้าไปอีกเสียงเล่าลือเกี่ยวกับบ้านผีดุหลังดังกล่าวมักจะเป็นเรื่องเล่าคําขานนะคะที่เขาบอกมาบอกว่ามีคนไปพบเห็นผีอย่างจังๆด้วยตนเองจนเกิดกรณี เจกกิมไก่ไปเจอวิญญาณผีดุเข้าเต็มตาด้วยความเี้ยนของบ้านผีดุจึงเพิ่มความสยองขึ้นอีกหลายเท่าเจ็กกิมไก่รายนี้เพิ่งจะเข้ามาอยู่ในละแวกคลองรังสิตได้ไม่นานอายุอานามแกก็ปาเข้าไป40กว่าแล้วนะคะยิตากิมก่คนนี้ได้เมียเป็นคนไทยค่ะแถมได้เมียสาวอ่อนกว่าเกือบรอบมีลูกเล็กๆด้วยกันคนเดียวอาชีพของอเจ็ค ก, กิมก่เนี่ยคือขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็บะหมี่เกี้ยวโดยพายเรือตะเวนขายไปตามคลองนะคะ เจคิมไก่พายเรือขายก๋วยเตี๋ยวผ่านบ้านร้างนับครั้งไม่ถ้วนโดยที่ไม่ได้รู้สึกหวาดเสียวหรือสะดุ้งกลัวอะไรเพราะเห็นเห็นอยู่ว่าเป็นบ้านผุผูพัพงๆไม่มีคนอยู่ส่วนที่ร่าลือกันว่าผีที่นี่ดุเนี่ยยิ่งไม่สนใจเข้าไปใหญ่เพราะเชื่อ ว, ว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเข้าทานองว่าเรื่องจริงมีนิดเดียวแต่ขยายความกันไปซะใหญ่โตเกินกว่าเหตุนะคะเย็นวันนั้นเป็นเวลาโพลว์เพลย์แล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังเจคิมไก่ก็พายเรือจากปากคลองจะกลับไปที่อ่า จากปลายคลองนะคะจะกลับไปที่ปากคลองค่ะล่องเรือมาถึงบ้านร้างริมฝั่งคลองค่ะก็ได้ยินเสียงเรียกมาจากในบ้านวิยเตี๋ยวแวะหน้อย เจคิมไก่มองดูตู้กระจกกลางลำเรือเห็นมีหมูแดงกับหมูปลาชอ่ออยู่นะคะอีก e ก็พอจะขายได้สักสองสามชามละอะตามภาษาคนค้าขายานะถ้าจะได้กำไรเพิ่มอีกนิดหน่อยเรื่องอะไรจะปล่อยให้หลุดมือไปแกก็รีบราพายเชิงเงอมองไปที่บ้านร้างก็เห็นแวบๆบแบบว่ามีผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวยืนอยู่ใต้กันสาดเจคิมไก่คิดว่าคงเป็นคนมาอยู่ใหม่ เห็นก่อผักตบชวาซึ่งเคยแผ่เป็นแผลหนาแน่นเต็มบริเวณหน้าบ้านร้างก็แหวกออกเป็นช่องว่างทะลุเลยไปถึงสะพานท่าน้ำราวกับว่ามีคนทำไว้เจคิมไก่ก็วาดหัวเรือเข้าไปทันทีค่ะพอถึงหัวสะพานเห็นบ้านเงียบมองไม่เห็นใครสักคนก็เลยตะโกนไปบอกก๋วยเตี๋ยวมาแล้วจเจา อ, อะไร เนี่ยไปสักครูก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องออกมาจากในบ้านเรือนบอกว่าเส้นเล็กแห้งสองชามแจ็กกิมก่ก็ลงมือลวกเส้นตามที่ลูกค้าสั่งทันทีที่ปรุงก๋วยเตี๋ยวก็หันเหลือบไปมองสภาพบ้านที่สุดโทมแล้วก็นึกในใจว่า เอ๊คนที่มาอยู่ใหม่นี่ช่างกระไรทําไมไม่ถึงยอมไม่ยอมทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถู บ, บ้านเรือนซะบ้างเลยเพราะว่าเท่าที่มองผ่านๆไปเนี่ย<ๆ>เห็นฝุ่นจับเป็นคราบหนาเตอะสภาพบ้านไม่มีการซ่อมแซมส่วนที่ชารุดแม้แต่แห่งเดียวไม้ฝาหลุดออกมาห้อยร่องแรงอย่างนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นจากที่มุงหลังคาพริ่เพรียบหลุดเป็นช่องโหว่ขนาดคนลอดได้ก็ปล่อยไว้เช่นเดิมไม่รู้ว่าทนอยู่เข้าไปได้ยังไง ะะก็แอบตำหนิแล้วก็วิจารณ์ไปพลางปรุงก๋วยเตี๋ยวไปพลางกระทั่งเสร็จทั้งสองชามเจ๊กกิมไก่ก็ตะโกนบอกคนสั่งบอกแล้วก็มีเสียงตอบออกมาบอกว่าเอาวางไว้ตรงบันไดนั่นแหละเมื่อมีความปเป็นความประสงค์ของลูกค้าเจ๊กกิมไก่ก็เลยหยิบชามก๋วยเตี๋ยวเอื้อมไปวางไว้ให้ตรงขั้นบันไดของท่าน้านะคะมองดูขั้นบันไดค่ะ เห็นเป็นลักษณะง่อนแง่นเต็มทนเจกกิมไก่ก็เลยนึกหวาดเสียวแทนเจ้าของบ้านที่มาอยู่ใหม่เพราะไม่รู้ว่าถ้าเหยียบลงมางแรงๆเนี่ยน่าจะหักโครมคลามเอาง่ายๆเจ ก, กิมไก่นั่งนึกไปในทางไม่ค่อยสู้ดีนักรอให้คนสั่งก๋วยเตี๋ยวออกมาเอาไปกินสะทีกินเสร็จจะได้เก็บเงินล้างชามกลับบ้าน แต่คอยอยู่เป็นนานสองนานค่ะก็ไม่มีใครโผล่หน้าอมาให้เห็นสักคนเจ๊กกิมกายป้องปากตะโกนไปว่าก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วหลายครั้งห ล, หลายหนทว่าไม่มีใครส่งเสียงตอบรับค่ะทําให้เกิดความหงุดหงิดแล้วค่ะทีนี้เพราะว่าตะวันรอนอ่อนแสงลงไปทุกทีละแล้วก็ที่ซ้าร้ายช่องว่างที่เป็นรอยแยกของกอผักตบชวาตอนแรกเนี่ย กว้างขนาดพายเรือเข้ามาได้สะดวกแต่ว่าตอนนี้ถูกกระแสน้ำพัดให้ขยับเข้ามาหากันเรื่อยๆหากช่องว่างที่เหลืออยู่พอคลือนะคะสำะกับกลำเรือที่ปิดสนิทเมื่อไหร่ก็เท่ากับขังเจ็ ก, กิมก่เอาไว้หลังแพผักตบชวาหนาทึบ จะพาเรือแหวกออกไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เจค ก, กิมไก่ก็เลยรู้สึกหงุดงีดค่ะชักจะโมโหขึ้นมาตงิดตงิดคิดจะไต่บันไดขึ้นไปท่าน้ําแล้วก็ตามหาคนสั่งกว๋วยเตี๋ยวแต่ก็ไม่กลาก้าเพราะว่ากลัวลูกบันไดจะหักก็เลยตะโกนขึ้นไปเป็นอีกครั้งที่สองจะเอากว๋วยเตี๋ยวเสียทีมาเอากว๋วยเตี๋ยวเสียทีเย็นหมดแล้วเงียบไม่มีคําตอบจะกินหรือไม่กินถ้าไม่กินอ้วไปแล้วนะเจค ก, กิมไก่เรียกเงียบอีกเหมือนเดิมค่ะไม่มีเสียงตอบเจคกิมไก่ชุนกึก อลองเงียบแบบนี้แสดงว่าแกล้งกันชัดๆนะคะแก้คว้าชามก๋วยเตี๋ยวได้ก็สาดครมลงน้ําทั้งสองชามไม่ขายไม่เคยมันละกําลังจะล้างชามขึ้นเก็บเจ๊กยิมก่ายสะดุ้งสุดตัวค่ะคุณผู้ฟังเมื่อถือชามก๋วยเตี๋ยวค้างได้ยินเสียงดังปึงปังคล้ายใครกระแทกประตูหน้าต่างเต็มเหนียวพร้อมกับเสียงเกลี้ยวกระดเย็นเยือกออกมาจากตัวเรือนสลัวครึ้มเอาก๋วยเตี๋ยวของกูทิ้งน้ําทําไมเอาก๋วยเตี๋ยวของกูกลับคืนมา เรือนแฝดบ้านร้างทั้งหลังนะคะสั่นกราวไม่ผิดกับการถูกขย่าวค่ะเสียงประตูหน้าต่างกระแทกดังตึงตังตลอดเวลาเจ๊กกิมกายถึงกับสั่นพับๆ บ, บอกกับตัวเองว่าถูกผีหลอกเข้าให้แล้ว เวียงชามก๋วยเตี๋ยวลงน้ําอย่างไม่เสียดายละกันคว้าพายได้ก็จ้วงน้ําพุ่งเรือเลี้วออกจากหัวสะพานแบบไม่คิดชีวิตช่องว่างระหว่างกอผักตบไหลเลื่อนเข้ามาเชื่อมต่อกันสนิทแต่เจ๊กกิมก่ายนี่บอกไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นเรียวแรงมีเท่าไหร่ใส่ให้มันเต็มที่นะคะก็พายเรือฝ่าแพรผักตบชวาออกมาขณะที่สองหูยังได้ยินเสียงแหบโหยดังไล่หลังเอาก๋วยเตี๋ยวของกู้ขึ้นมาเอาก๋วยเตี๋ยวของกูขึ้นม า, า, น, มานี่คือเสียงคนในบ้านพูดนะคะหลุดจากแนวผักตบชวาหนาทึบได้อย่าง แกก็ยังไม่รู้เหมือนกันแกจ้ามพายเรือออกมาถึงกลางคลองได้ก็ดิ่งกลับบ้านทันทีเรียกว่านับตั้งแต่นั้นมาค่ะคุณผู้ฟังเจ๊ ก, กิมก่พายเรือก๋วยเตี๋ยวผ่านบ้านร้างแกก็จะพายเรือข้ามมาอยู่ฝ้าคลองฝั่งตรงข้ามไม่บางอาจเฉียดกรายเข้าไปใกล้โดยเด็ดขาดและถ้ามีใครที่บ้านร้างเรียกให้เข้าไปขายแกบอกว่าให้ชำละร้อยแกก็ไม่ขาย